พึ่งพากันตั้งใจให้ดีอย่าให้มีเรื่องกังวลใจทำใจให้สบายคนเราท่าหากว่าไม่ยึดถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นเครื่องกังวลมันก็สบายใจ การภาวนาคือการฝึกหัดทำใจให้สบายไม่ใช่เป็นการทำใจให้เดือดร้อนต้องให้จะให้เข้าใจความหมายเมื่อรู้จักความหมายแล้วมันก็จะทำไปได้สะดวกทำอย่างไรใจจะสบาย ก็ทำลงไปแบบนี้ก็หมายความว่าปล่อยวางนั่นแหละอย่าไปยึดถืออะไรต่ออะไรไว้ท่านปล่อยวางความยึดถือต่างๆแล้วมันก็สบายเท่านเองเนี่ยใจมันก็ลงแหละมันไม่ค้างอยู่ข้งนอกไม่ค้างอยู่ในอารมณ์ต่างๆ มันก็ลงไปหาที่เดิมของมันไอ้ที่เดิมของจิตนะมันเป็นสถานที่อันสงบระ ง, งับปกติของจิตถ้าไม่ยึดถืออารมณ์อื่นแล้วมันก็มีแต่สงบลูกเดียวเหตุที่มันไม่สงบมันเลื่อนลอยไปมา ก็เพราะมันยึดอารมณ์อันกอันหนึ่งไว้เหตุแต่มันจึงเป็นเหตุให้คิดปรุงแต่งไปอย่างนี้นะเพราะนั้นเรามาฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนี้ให้ได้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรเนอืม เพราะมันมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรจะยึดถือเลยในโลกอันนี้นะถ้าไปยึดถือเรื่องสวยเรื่องงามมันก็เกิดความรักไม่รู้จักสิ้นสุดลงถ้าไปยึดถือเรื่องน่าเกลียดน่าชังมันก็เกิดความโกรธ มันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมามันเป็นหนทางแห่งความฟุ้งซ่านทั้งนั้นเลยนะความยึดถือดังกล่าวมานี่ให้พิจารณาให้มันเห็นโทษแห่งความยึดถือดังกล่าวมานี้เมื่อเราไม่เห็น ว่าสิ่งใดที่ควรจะมายึดถือเพราะอะไรก็เพราะมันไม่เที่ยงมันแปรผันแตกดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นของละเอียดปาณีย์บรรจงอย่างไงก็ตามแหละจะเป็นรูปที่ละเอียดรูปที่มีจิตคลองลูกเมื่อรูปไม่มีจิตคลอง ละเอียดละออย่างไรมันก็ไม่พ้นจากความแตกดับพิจารณาเรื่อยหละความจริงเหล่านี้เนี่ยเราพิจารณาหน่อยเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยไปจิตมันก็รู้ยิ่งเห็นยิ่งขึ้นในเรื่องนั้นมันจึงคลายความยึดถือได้ ให้เข้าใจอย่ไปพิจารณาเพียงเล็กๆน้อยๆดนจะให้มันละความยึดความถือมันละยังไม่ได้เพราะมันคุณธรรมที่กำจัดความหลงพอไม่รู้แจง้งอันนั้นนะมันยังไม่เก่กล้าพอ เหตุนั้นเราจึงดกพิจารณาบ่อยๆโดยกำหนดเอาจิตที่ส ง, งบตั้งมั่นนั่นแหละเป็นหลักเครื่องพิจารณาถ้าไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในส่งไปตามกระแสะของอารมณ์เช่นนี้นี่มันไม่ได้มันละไม่ได้แบบนั้น คิด พ, พิจารณาไปเท่าไรยิ่งยึดถือไปเท่านั้นให้เข้าใจ้ทาที่มันจะละนั่นก็พอมาพิจารณาลงในปัจจุบันเพ่งเข้าไปภายในไปเห็นแจ้งความจริงของชีวิตนี่อยู่ภายในตามเป็นจริงนั่นแหละมันจะละอะไรได้มันก็ละตอนนั้นนะบัดนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นมายควาว่าดวงจิตที่แท้จริงเนี่ยมันอาศัยอยู่หะไทยวัตถุภายในนี้มันไม่อยู่ที่อื่นดังนั้นการที่เราส่งออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่ดวงจิตมันเป็นสัญญาเจตสิกต่างหากเหตุตังนั้นมันจึงไม่ ตัดสินอะไรลงไปได้จะละอะไรก็ละไม่ลงต่อเมื่อได้ทวนกระแสเข้ามาในปัจจุบันนี้แล้วเห็นจิตนี่ความรู้สึกอันนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้ถึงวินิชัยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงอย่างนี้นะมันก็เห็นชัดเลยแบบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกรปรกในร่างกายอันนี้มันก็เห็นชัดตามไม่จริงได้เพราะมันอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นี่กายกับจิตเนี่ยขอต่ให้จิตตั้งมั่นลงไปเท่า น, นั้นแหละมันก็คงใสมองเห็นร่างกายนี้ได้พอแต่อยากรู้อยากเห็น กระแสจิตมันก็พุ่งออกไปหาร่างกายนี่มันก็เห็นชัดเลยถ้าอยากเห็นกระดูกซีโครงอย่างนี้นะพอนึกเท่านี้แล้วกระดูกซีโครงก็ปรากฏออปรากฏเหมือนอย่างสัตว์ที่ตายแล้วทิ้งอยู่บนดินพวกแรง้งพวกกาพวกอะไรมายื้อแย่งกินนั้งกินเนื้อ ไปหมดแล้ววันนี้มันยังเหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองอืมรูปกายมนุษย์เรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเจตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วรูปนี่มันก็มีแต่วันจะเน่าจะเปฟย ผ, ผุพังไปถ้ามีสัตว์มายื้อแย่งกินอย่างว่านั่นก็ยิ่งหมดไปเร็วกระดูกมันแข็งมันกินไม่ได้ มันก็เหลือแต่กระดูกเท่านั้นเองคนก็ดีถ้าหากว่าไม่เผาไม่ฝังนะนก็เหลือแต่กระดูกกองเป็นสักขีพย า, ยานว่ามีคนคนหนึ่งได้เกิดมาในโลกแล้วหมดบุญหมดกรรมแล้วตายลงไปเหลือโคงกระดูกนั่นเป็นสักขีพย า, ยานก็มีเท่านี้เองนะ คำว่าชีวิตหรือว่าร่างกายหรือว่าขันห้าอันนี้เน่จะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นแหละมันก็ไปสิ้นสุดลงแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเองนยมันจะมีอะไรอ่ะดังนั้นเราจะงว่ามีสติเตือนจิตนี่บ่อยๆให้มันรู้ความจริงเหล่านี้ ไม่มีอะไรถ้าลมหายใจหยุดลงไปแล้วจิตก็เป็นนั้นว่าออกจากร่างนี้อยู่ไม่ได้จิตจะอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ได้มันธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มันต้องกรองรองกันได้สัดส่วนประกอบกันเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายนี้เป็นปกติ เมื่อจิตเข้าไปครองอาศัยอยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนกินเดิมผู้จาทำกลางงานต่างๆได้ขอท่าทางเสียนี่วิบัติลงใช้การไม่ได้ทาดใดท่าหนึ่งแล้วเช่นี้มันมันก็หมดเรื่องกันทาดด่าหนึ่งก็พลอยเสียไปตามกันด้วยอุปมาเหมือนรถยนต์น่ะ รถยนต์นี้ถ้าเครื่องอะไรเครื่องเครื่องรถยนต์เครื่องสำคัญทำคัญนะ่ะมันเสียลงอันนี้รถเดินไม่ได้เลยเมื่อก็ดับลงทั้งนั้เครื่องนะ <c oughs> แม้ส่วนอื่นจะยังดีอยู่ก็ตามเพราะว่าเครื่องยนต์ต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมันถ้อยถอยอาศัยซึ่งกันและกัน มันยังมีกำลังนำรถนั่นวิงไปสู่จุดหมายปลายทางได้ร่างกายอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย mm hmm. เมื่อส่วนอวัยวะสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งมันวิบัติลงส่วนอืนอ่นๆนก็วิบัติไปด้วยกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเพ่ง พิจารณาจนว่าเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาในใจถ้ามันยังไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่คลายความยึดถือเรื่งมานต่อเมื่อใดมันเบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อนั้นแหละมันได้งุบปรงมันจึงวางลงได้วางร่างกายอันนี้ลงได้ตามสภาพ เดิมของมันจิตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเสียใจดีใจเศร้าโศกอะไรเลยหรือสะดุ้งหวาดกลัวกลัวก็ไม่กลัวแหละก็เพราะว่าร่กรายทุกส่วนไม่ใช่ของเรายังกี่ไปห่วงว่าอย่างไรถ้าห่วงไว้มันก็กลัวตายกลัวเจ็บปวดอะไรต่ออะไรไปทํานองนั่นแหละ ถ้าพู้ได้ปลงวางลงได้จริงก็ไม่กลัววะนี่อ้าววิบัติก็วิบัติไปแตกก็แตกดับก็ดับก็ให้มันพ้นกันไปสักทีวะอาศัยมันมานี่แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากนานปีแล้วมันก็ได้เสวยทุกขเวทนากับร่างกายอันนี้มาเรื่อยๆมา เพียงแต่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันถึงเวลาให้อาหารแล้วไม่ให้มันก็กระวนกระวายแล้วเนี่ยมันก็แปรปรวนไปแล้วร่างกายนี่จะพิจารณาดูให้ดีมันไม่แปรปวนไม่แตกดับก่อนเนี้ยก็เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เท่านั้นเองนะมีอาหารหล่อเลี้ยงมีผ้านุ่งผ้าหม่ม มีเครื่องป้องกันร้อนหนาวลมแดดสัตว์ที่มีพิษทั้งหลายไม่กัดไม่ต่อยเพราะมีทางป้องกันไอ้เช่นนี้แหละมันถึงพออยู่ได้นะล อ, องคิดดูพูดสั้นๆว่าบุญเก่าที่ทามาตะก่นตามมารักษา ชีวิตนี่จึงยังเหลืออยู่ได้แม้แต่ลาพังอาหารบารุงก็ไม่ไหวถ้าบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายนี้ก็ย่อมทนอยู่ไม่ได้แม้จะมีอาหารดีๆยังไงมาให้รับประทานมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้มันรับทาไม่ได้ทํานะถ้าหมดบุญเก่าแล้วมีอาหารก็จืดชืดไปหมดเลย เกลืนก็แทบไม่ลงซ้ำเป็นไรอย่างนี้นะมันคลาย ห, หมดแล้วมันหมดบุญเก่าแล้วไม่เหลือจริงๆในร่ากายนี้คิดดูให้ดีดังนั้นเราจะไปหวงแหนทำไมหวงแห็นยังไงไว้มันก็ไม่อยู่หรอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยเป็นอยู่ หมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนตะเกียงละโคมไฟอาศัยน้ำมันกับไส้พอจุดไฟเข้าไปไฟลุกครงขึ้นเมื่อเกิดแสงสว่างขึ้นมามองเห็นอะไรได้ชัดเจนท่านานไปไฟมันก็ไหม้น้ำมันหมดไปหมดไปพอน้ำมันใกล้จะหมดแสง ไฟฟ้าหรือตะเกียงหรือโคมไฟในมันก็นหลี่ลงหลี่ลงอย่างนี้แหละลองคิดดูอ่พะพอนะ้ำมันมันมันจวดจะหมดแล้วกำลังมันน้อยลงเต็มทีแล้วมันจะส่งให้เกิดแสงสว่างเต็มอกลราเหมือนเดิมเราไม่ได้แล้ววะนี่พอนะ้ำมันหมดเท่านั้นเองไฟก็ดับวูบลงไป ร่างกายชีวิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเป็นอยู่โดยอาการสองอย่างคือบุญกรรมที่ตนท ร, ร ม, มาตะกอนมาบำรุงรอดเลี้ยงรักษาไว้หนึ่งอาหารการบริโภคปัจจุบันนี้ช่วยพยุงร่างกายอันนี้ไม่ให้หิวแห้งไป มันก็อย่างนี้เราต้องพิจารณาดูเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นโดยปัญญาเมื่อมันเห็นอย่างนี้แนละ้วก็มันก็ไม่ประมาะททีนี้กูได้รู้อย่างนี้นะไม่ไม่ไว้ ใ, ใจในชีวิตแล้วต้องนึกอยู่เสมอชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงอย่างนี้นะ เตือนตนอย่างนี้อยู่เสมอแนละ้วก็จิตใจนี้ก็ไม่หลงแล้ววันนี้นะไม่หลงก็รู้ว่าวันจะแตกแกดับอยู่แต่ว่ากาหนดไม่ได้ไม่ทราบว่าวันไหนเพราะไม่มียานอันวิเศษอย่างรู้ได้เหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้เสมอแหละ เพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายมันจะมาตัดรอนชีวิตนี้เมื่อไรเร็วหรือช้านัน้นบอกไม่ได้เลยบางทีมัวมอเปิมมาดอยู่ไม่ทันไรความตายมาถึงปุ๊บป๊าบเขา้ามันก็ขาดทุนละสิแบบนี้เพราะว่าไปมัวมอเปิมมาดอยู่ในเรื่องอื่นไม่นึกถึงไม่ทาความรู้เท่าในร่างกายสังขาร น, นี่อย่างนี้นะ จิตมันก็เลยไปกูพันอยู่กับสิ่งอื่นนู่นก็เดือดร้อนนะวันนี้กลัวตายขึ้นมาแล้วเพราะไม่ได้เพ่งพี่น้าอยู่บ่อยๆเมื่อกลัวตายขึ้นมามนก็เป็นทุกข์แล้ ว, วนันนะี้จิตใจสะดุ้งหาความสงบไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ ทุกคนต้องให้เตรียมตัวเตรียมตัวไวท้ทีเดียวเตรียมอย่างไรอ่ะเตรียมละความชั่วทำความดีเป็นบทบาทเบื้องต้นขั้นที่สองเตรียมรักษาจิตรักษาความสงบของจิตที่ตนทำให้มันสงบแล้วให้มันสงบอยู่เรื่อยไปให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไป อย่าไปท้อไปถอยเกรียมปัญญาไว้สำหรับจะได้สอนใจนี่ให้ปรงให้วางขันห้านี้ปัญญามันย่อมเกิดเพราะการประกอบคือเกิดเพราะการเพ่งพินิษพิจารณาเพ่งและพินิษพิจารณา คำว่าเพ่งนั่นก็คือทำใจให้ตั้งมั่นนั่นเองเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันคำว่าพินิษพิจารณาก็หมายความว่าเมื่อจิตใจหยุดยั้งอยู่แล้วอย่างนี้ก็มองดูร่างกายวิตกถึงร่างกายก่อนอื่นทั้งหมดเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ในร่างกายนี่ก่อนอื่นมันจึงไปหลงสิ่งอื่นต่อ ถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายในตามเป็นจริงไม่ยึดไม่ถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งอื่นเป็นตัวตนเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเน่ยอย่าไปชอบต้องการอยากจะรู้อะไรต่ออะไรนอกกายนี่ออกไปก่อนให้มาเพ่งพิจารณาให้รู้แจ้งร่างกายอันนี้ให้มัน ชัดเจนลงไปอย่าให้มันสงสัยลังเลเลยอย่าให้มันสงสัยว่าเอ๊ะเราเนี่ยังจะไม่ตายก่อนหรือไงโนอย่างนี้นะเราจะมีอายุยืนอยู่ต่อไปหรือไงโนอย่างนี้อย่าไปสงสัยอย่าไปคิดถึงเรื่องอนาคตอย่างนั้น เพราะว่าคิดได้เราก็รู้ไม่ได้เพราะไม่มี ญ, ญาณอย่างรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเราคิดเสียว่าร่างกายนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างหม้ออย่างภาชนะใส่สิ่งใส่ของอะไรต่างๆพวกนี้แหละสิ่งแก้วน้าขวดน้าอะไรพวกนี้นะใช้ไปใช้มา มันก็สึกหลอไปสึกหลอไปแบบนี้บางทีก็เผลอเผอไปหลุดมือตกลงก็แตกไม่มีทางที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยบทมันจะแตกจัดทำลายแล้วมันเดียวเทียวเท่านั้นแหละเอาเลยอุปมาเหมือนอย่างชีวิตของคนยุคนี้สมัยนี้เหมือนกัน ตายง่ายคนทุกวันนี้นะนอนอยู่ดีๆก็คลั่งไข้หลงไหลไปก็ตายไปเลยนั่งอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมซักขึ้นมาหมอช่วยเหลือไงก็ไม่พื้นเอาตายนี่นะปัจจุบันนี้ชีวิตนี่รู้สึกว่าตายเร็วเหลือเกินนะอย่างนั้นอย่าไปไว้อย่าไปไว้ใจ เราต้องพยายามรวบรวมเอาอความดีทั้งหลายเข้ามาไว้ในใจนี้ให้มันได้ความดีที่ตนทำมาให้ทำความพอใจในความดีอย่าไปพอใจในความชั่วสอนตนเข้าไปพอใจนี้มีดวงเดียวถ้ามันยินดีในบุญในกุศลในความดี แล้วไอ้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้เพราะมันไม่ยินดีนี่ไม่ยึดถือเอาไว้แต่ถ้าไปยินดีในความชั่วหรือว่าในสิ่งที่ไม่เป็นสารประโยชน์มากๆเข้าไปมันก็ทอดอะไรในความดีที่ตนทำมามันก็ไม่ห่วงไม่นึกถึงนี่เพราะใจมีดวงเดียวนี้ น้อมไปทางหนึ่งแล้วทางหนึ่งก็ย่อมงดกันอย่างนี้แหละวันนี้เราถามตัวเองว่าการน้อมใจไปในทางบาปทางบุญจะเอาทางไหนแน่นอนนะทุกคนต้องตอบตัวเองได้เลยว่าต้องเอาทางบุญทิ้งทางบาปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากอะไรอ่ะ ใจมันเห็นแจ้งเรื่องบาปที่มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์มันเห็นยังยิ่มอยู่เลยมาอย่างนี้นะเรื่องอะไรแ้วมันจะไปก่อบาปขึ้นมามันเห็นแจ้งอยู่ในใจว่าบุญกุศลนี่มีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์ลูกเดียวบุญไม่เคยอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทาบำเพ็ญให้เป็นทุกข์ไม่มี เรามองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็เกิดปีติในบุญในกุศลที่ทนกระทำมาอย่างนี้เลยไม่เบื่อไม่นายตอคุณค่าแห่งบุญกุศลเพราะตนได้รับความสุขกเพราะมีบุญถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีความสุขเลยจิตนี้นะเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องกระทบกระทั่ง มีแต่เรื่องไม่เที่ยงมายังยืนมากระทบกระทั่งอยู่อย่างนั้นมีแต่เรื่องดีเรื่องชั่วมากระทบกระทั่งอยู่ไอจิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันถึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจอย่างมั่นคงอราอย่างนี้แม้เรื่องดีเรื่องชั่ว ทัวเรื่องไม่เที่ยงอะไรกระทบกระทั่งมาจิตนี้มันก็ไม่วันไหนไปตามเพราะมันได้ที่พึ่งอันประเสริฐไว้ในใจแล้วขอให้เข้าใจตามนี้ใจนี่นะถ้าปล่อยให้มันอยู่โดยลำพังแล้วเฮ้ยมันหาอยู่ไม่ในร่างกายมันคิดส่งออกไปทั่ ว, วขวากวายอารมณ์ต่างๆนานานะไปอยู่อย่างนั้นเนี่ย ดังนั้นน่ะก็ขอให้พากันพิจรารณาเห็นโทษของการปล่อยจิตไห้เลื่อนลอยไปนั่นแบบไม่เป็นผลดีเลยเป็นห น, นทางเดินไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมิตรพี่นาให้มันเห็นเมื่อผู้ใดพี่นาหเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยใจให้เพ่นผ่านไปโดยไม่มีเหตุจำเป็น ก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ภายในเสมอเสมอไปบางคนนะเนะนำไปนี้แล้วยังไม่เข้าใจยังมาถามอีกแล้วจะทำใจยังไงพไอในการภาวนานี่ไอ้ทั้งที่พูดให้ฟังอยู่อย่างนี้ ก็ยังไม่เข้าใจความหมายเลยมันแย่นะคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละอย่างว่าถ้าหากว่าพูดสมองดีผู้มีบุญมีปัญญาก็ยังว่าอะีรผู้มีใจตั้งมั่นแล้วพอท่านแสดงแนวทางปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็เข้าใจได้เข้าถึงจิตใจได้จริงๆอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นี้มันก็จำไม่ลืมเลยอุบายต่างๆเหล่านั้นก็ไปสอนจิตตัวเองเข้าไปฝึ ก, กจิตนี่ให้สงบระงับลงไปอันที่ว่าจิตมันไม่ค่อยสงบมันไม่ค่อยมาอยู่ในปัจจุบันมันชอบแต่เล่ร่อนออกไปภายนอกก็ ทุกคนก็มกกักจะ บ, บ่นกันอย่างนี้แหละที่เป็นทั้งนี้เพราะอะไระก็เพราะว่าตนไม่สำรวมจิตนั่นแหละเกิดจากความไม่สำรวมนั่นเองเมื่อนั่งภาวนาทำใจสงบระงับลงไปได้แล้วเมื่อออกจากภาวนาเนี่ยปล่อย ใจให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีสติควบคุมไม่มีสติประคับประคองเช่นนี้เนยมันก็จิตใจมันก็ว่อนไหวไปเรื่อยๆไปมันก็ไม่หยุดไปยังย้งมันเป็นอย่างนั้นอันที่ว่าทำยังไงถึงจะทำใจสงบระงับได้ก็เมื่อตอน ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปทั่วแล้วถึงเวลาแล้วจึงเป็นนั่งสมาธิกำหนดจิตควบคุมจิตให้มันสงบไปโดยรวดเร็วอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิตนี่เนี่ยมันเคยชินกับสิ่งใดแล้วมันก็มากจัไปคิดไปยึดไปถือในสิ่งนั้นท่านอุปมาไว เหมือนอย่างโอควายที่มันเคยลงไปกินข้าวในในาไร่ใดของใครเมื่อเผลอๆ เ, เจ้าของเผลอมามันก็ไปที่เดิมนั่นเองมันเคยกินที่นั้นมันก็ไปสู่ที่นั่นแหละไปกินข้าวบริเวณนั้นเองฉันใดจิตใจ ของคนเราเนี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันเคยยึดถือสิ่งใดบ่อยอยมาเป็นอารมณ์นะพอเผลอสติมันก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นเนี่ยไปยึดสิ่งนั้นเข้าไปวิตกวิจารณ์เรื่องนั้นอยู่ยนั่นแหละสงบลงไม่ได้เป็นอย่างนั้ น, เ, นเมื่อรู้ว่าจิตของตนเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นนี้ ก, ก็ ต้องพยายามเพ่งลงในปัจจุบันนะเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกลงแบอย่างนี้นะเมื่อก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วบาปก็ไม่มีแบบนี้นะเพราะว่าเป็นผู้สมทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมล่วงพุทธบัญญัตินั้น บาปมันจะไปเกิดมาได้ที่ตรงไหนเราวะเนี่ยบาปมันก็เกิดไม่ได้เมื่อตอนไม่ล่วงละเมิดในพุทธบัญญัติแล้วอย่างนี้นะที่ท่านยังเรียกว่าโอปนายิโก้โนมเอาพระธรรมคือศีลคือคุณของศีลเข้ามาสู่จิตใจเมื่อมองเห็นว่าศีลนี่มีคุณนาในสงดังที่พระองค์สั่ไว้ ทำความรู้ตนของตนว่าเป็นปกติอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละจิตมันจะหยุดฟุ้งซ่านรำคาญเพราะเหตุนี้ให้เข้าใจถ้ายังไปรู้อำนาจแก่ความคิดความปรุงแต่งต่างๆอะไรอยู่ยางนั้นไม่สะ ก, กดจิตให้หยุดให้นิ่งลงไป เสียเลยปล่อยเลยตามเลยเน้ะเออมันจะนั่งอยู่หมดวันมันก็สงบลงไม่ได้เลยอ่มันถ้าปล่อยใจไปอย่างนั้นนะก็เมื่อเมื่อตนรู้ว่าจิตที่มันชอบเลื่อนลอยนี่เราจะใช้อบายอ่อนอ่อนใส่ไม่ได้มันต้องใช้ไม้แข็งถือว่าสะกดอสะกดจิตไว้นั่นแะ ด้วยสติด้วยขันติความอดทนอย่างนี้แหละจิตนั้นมันถึงจะอยู่ได้มันถึงจะหยุดคิดลงเราอดทนไม่ถอยไม่ยอมคิดเวลานี้จะทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องคิดต้องรู้อะไรก่อนยังยังไม่ควรรู้อะไรก่อนเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมัน่น ก็เตือนทนไว่อย่างนี้แล้วก็สักกดจิตลงแ่งเข้าไปตั้งความอดความทนลงอย่างนี้เลยถ้าทำได้อย่างนี้ไม่เหลือวิสัยนะไม่นานแล้วจิตมันก็สงบลงได้เพราะว่าสติสมัมปชัญญะหรือขันติความอดทนเนะี่ยมันอุ้มชูจิตดวงนี้ไว้แล้ว เหตนี้ขยับที่จะคิดไปไหนก็ไปไม่ได้ดังนั้นมันถึงได้รวมลงวันนี้นะมันจึงได้สงบลงไปได้ให้พากันจำอุบายเหล่านี้ไว้เราจะไปทำอ่อนแอไม่ได้นะจิตนี้นะถ้าเราทำลงไปแล้วมันไม่ยอมมันไม่ยอมสงบอย่างนี้นะ มันก็ต้องใช้ไม่เด็ดแล้วนี่อา้าตายเป็นตายเราจะเพ่งกันอย่างนี้แหละถ้าไม่หยุดคิดตราบใดล้วก็จะไม่พินาอะไรจะบเพ่งใหแต่จิตนี่มันหยุดลงไปหนึ่งลูกเดียวนี่แหละว่างั้นอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้นะแลวันนี้ก็เมื่อทำตามที่ว่านี่นะไม่เหลือวิสัยนะ จิตจยมสงบลงได้จริงๆเพราะจิตบางคนมันก็ไม่แข็งกระด้างอย่างนี้มันน้อมลงไปง่ายอันนั้นก็ไม่ต้องสะกดให้ลำบากเพราะว่าตั้งสติทวนกระแสจิตเข้าไปทวนความคิดความนึกให้เข้ามาสู่ปัจจุบันจิตใจมันก็ลงลงไป พอเพ่งเห็นความคิดต่างๆเกินแล้วดักไปไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรความคิดต่างๆวันนี้พอมันเห็นแจ้งทัดอย่างนั้นมันก็ร่อยก็วางความคิดแล้วบันี้เพราะมันเห็นว่าคิดไปแล้วก่อเป็นทุกข์กระเป๋าไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นแกนสานอะไรอย่างนี้นะพอมันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายในความคิดเหล่านั้น มันก็รวมลงไปได้อายผู้ที่มีนิสัยอ่อนโยนฝึกตนมาแต่ก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นและกับผู้ที่ไม่ประมาทตามรักษากจิตของตนอยู่เสมอเสมออย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละรักษาความป ก, กติของจิตไว้เมื่อมาถึงคราวนั่งสมาธิภาวนา แ่เนี่ยจิตมันก็ไม่ค่อยจะดิ้นไปทางไหนแล้วเพราะตลอดเวลามีสติสมัมปชัญญะคุมแจอ ย, อยู่นั้นรักษาอยู่นั้นอันนี้แหละที่บุคคลภาวนามันจะสงบลงได้ง่ายได้ไวก็เพราะเหตุว่าตามรักษาจิตอยู่ทุกอิริยบทนี่สำคัญเมื่อรู้ว่าบาป ที่ตนล่มหลงทรมาแต่ก่อนนั้นยังมีอยู่ยังปรากฏขึ้นในจิตโยงนี่นะอ่าเราก็อธิษฐานละไปเรื่อยๆเลยอธิษฐานละขอละอกุศลวิตกต่างๆนี่ที่ลงมาแล้วจะไม่วิตกถึงเน้่เพราะว่าบาปมันอาห น, นวยผลให้เป็นทุกข์ ไม่ทำมันต่อไปแล้วแันนี้นะข อ, อยุดตีกันเพียงเท่านี้โดยอำนาจความสัตว์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วที่มีอยู่ในใจข้าเจ้านี่จงเบาบางไปหมดไปสิ้นไปอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าไปบาปกรรมที่ตนลุ่มหลงทมมาตก่ข น, นมันก็ค่อยหมดไปหมดไป เพราะว่าจิตไม่ยึดถือเอาแล้วนี้จิตไม่ทงเถอะมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นประธานนะบุญบาปทุกทุกมีจิตเป็นประธานทั้งนั้นเลยดังนั้นเมื่อจิตเห็นโทษแห่งความทุก ข, ขเวทนาทั้งสางเห็นโทษแห่ง ขันธ์ทั้งห้าอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างนี้เนี่ยมันทึกทายได้มันจึงวางะไรจิตนี่นะเพราะแต่ก่อนมามันวางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไ ม, ไม่เคยคิดว่าจะทำความเพียรเร่งวินิจร่างกายสังขารให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้มันไม่คิดไม่นึกเลยอย่างนี้นะ ชื่นชมยินดีอยู่แต่ในกาลมาคุณนั้นแหละแล้วอย่างนี้นี่จะให้จิตมันสงบลงได้ไง่ายยังไงอ่ะเพราะแต่ก่อนมาตนก็ไม่เคยคิดที่จะทำความเพียรเดี่ยวอย่างนั้นดัะนั้นมาปัจจุบันนี่เราตื่นตัวแล้วก็หัดคิดหัดอธิษฐานจิตใจเข้าบ่อยๆเข้าไป เมื่อจิตมันรู้สึกว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับบาปอากุศลใดๆทั้งหมดแล้วอย่างนี้มันก็ปลงก็วางลงไม่นึกหาแล้วกว่านี้นี่แหละวิธีละบาปที่ตนได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนแล้วก็ละที่ใจนี่เองใจนี่เป็นผู้ยึดถือเอาบาปไว้ เป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่เพียนไม่ยามละมันนั่นแหละเมื่อเวลาที่มันยังไม่มีเหตุมากระตุ้นทำให้กิเลสนี้กำเริบขึ้นมันก็เป็นปกติ ด, ดีสบายอยู่ไม่รักคนนุ้นไม่เกลียดคนนี้อะไรเลยแต่พอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามาจิตใจหลงยึดถือเอาเหตุภายนอกอไว้สม ทบกับเหตุภายในอย่างนี้นะมันก็ทำให้กีเลส ท, ที่มันดองอยู่ในสันดานันเกิดขึ้นกำเริบขึ้นทันทีเลยเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันมันมันไม่โกรธมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้สอนใจละเพียงแต่ข่มๆมไว้เท่านั้นเองอย่างนี้ เมื่อเชื้อมันมีอยู่เมื่อเหตุภายนอกกระทบเข้ามานี่ความโกรธนั้นมันจึงลุกขึ้นทันทีเลยี่ทีแรกก็เป็นคนใจดีใจดีใครก็ยกย่องว่าเป็นคนใจดีถึงว่าจะเป็นผู้ไม่มักโกรธมักอิจฉาผู้อื่นที่ไหได้พอมีเหตุอันไม่ดีอย่างว่านั้นกระทบเข้ามา อดทนไม่ไหวแล้วนี่ตะบะแตกเลยจะเกิดโมโหโทโสขึ้นมาบางทีก็สามารถทำร้ายผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดให้ร่มให้ตายลงได้มันเป็นยาง้งดังนั้นเนี่ยจงพากันพยายามมีสติ สำรวมใจของตนให้แน่วแน่ลงไปอย่าให้มันเลื่อนลอยจะ ย, ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็อย่าลืมจิตใจตัวเองตัวเองเคยได้นั่งภาวนาทำใจสงบอย่างไรออกจากภาวนาไปแล้วก็นึกถึงความสงบของใจอ น, นันอยู่ควบคุมใจนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศล ในคุณพระตนากรยให้ได้ปกติจิตนี้ถ้าตนไม่ควบคุมอย่างว่านี่น ะ, ะมันจะถูกกิเลสน่นนะเข้ามาจูงเอาให้พอใจไปในเรื่องบาปอคุศลต่างๆหรือว่าเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นะมันมัน เมื่อควบคุมได้มันก็ไม่หลงไหลไปหลยเมื่อควบคุมจิตไม่ได้มันก็ไปตกลงไปที่ต่ำโน่นเนี่ยมนเป็นปอย่างงั้นดังนั้นอ่ะให้พากันควบคุมจิตไว้ท่านกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอกินเดิมพูดจาอะไรกับใครที่ไหนก็ระวังจิตที่อย่าให้มันเสื่อมจากสมาธิอย่าให้มันวอกแวก ไปตามอารมณ์นั่นนั่นนี่วิธีปฏิบัติสมาธิวิปัสนาอย่างใกล้ชิดกับจิตใจเลยวันี้นะนั่นเราเข้าถึงจิตเดิมใจเดิมได้ถ้าแบบนี้นะถ้าไม่ทำความเพียรเว่งพินิดจังว่านี้นะก็นำพัง ไ, ไปทำความดีทางกายวาจาเท่านั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะบอ ป้องกันจิตมไม่ให้คิดไม่ใพุ่งส้านไปทางบาปอากุศลมันมันป้องกันไม่ได้เลยต่อเมื่อใดตนได้มีสติสมัมปชญัญญะเพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันมันกลวจการดูจิตนี่เสมอเสมอว่าจิตนี่อยู่ยังไงเวลานี้นะอย่างนี้นะไม่ต้องภาวะภาวนถึงคนอื่นแล้ว ตนก็เพ่งดูโดยลำพังตนเพ่งจิตตัวเองไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้แล้วมันก็สงบลงได้ไอความพุ่งสั้นเนออเหิร์มมันก็ดับไปเราเพียรเพ่งวินิจดไม่ท้อไม่ถอยนี่นะจะพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะทำความเพียรเพียงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้ว จะให้จิตนี้มันตั้งมั่นลงไปด้วยดีสม่ำเสมอไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ความดีของเรามันน้อยไปมันไม่มากเพราจะเป็นกำลังใจได้นี่นะฉะนั้นเราต้องทำดีพูดดีคิดดีเรื่อยไปอย่าให้อกุศลเข้ามาแทรกแตงในจิตนี้เช่นนี้แล้วมันก็ จิตก็ไม่เลื่อนลอยแล้ววันนี้นะไม่เดอนลอยเราควบคุมอยู่ตลอดเวลา ส, สติสัมปชัญญะมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเราใช้ไปในทางที่ถูกคือใช้เข้าไปควบคุมจิตระวังไม่ให้จิตมันวกแวกวกนไวไปตามอารมณ์ต่งาง อาศัยสติสัมปชัญญะนี้ระมัดระวังเสมอเสมอไปดังนั้นจิตใจมันจึงรวมลงได้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าจริงๆมันจึงไม่พุ่งร่านดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอยู่ในอภิมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาท พยายามสำมรวมจิตตัวเองไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเกิดจากความพยายามถ้าไม่พยายามแล้วอะไรอะไรก็ไม่สำเร็จลงได้เพราะฉะนั้นขอให้พาการปั้งใจลงไป ถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วเราไม่ทำความเพียรในเวลานี้ในชีวิตนี้ต่อไปกิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นแล้วจะไปทำความเพียรละมันให้มันง่ายสบายเนะ่ไม่มีทาง น, นะนั่นเอถ้าหา ก, กว่ายังไม่คิดจะทำความเพียรละ กีเลตนี่ตราบใดแล้วชีวิตนี่มันก็เหมือนลูกข่างที่เขาที่เขาปล่อยลงดินนั่นแหละมันก็หมุนอยู่ที่เก่าหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตใจของคนเราก็เป็นเหมือนลูกข่างนะถ้าไม่อบรมนะนั่นเนี่ยมันก็หมุน ตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกอื่นตายจากโกอื่นก็กลับมาเกิดโลกนี้หมุนเวียนกันอยู่เงี้ยหาทางออกจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เลยนี่นะลองคิดดูดังนั้นอะในความดำริตริตอง เหตุผลดังกล่าวมานี่เนี่ยจึงเป็นบทบาทอันสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามันไม่มองไม่มองเห็นลู่ทางโดยแจ่มแจ้งแล้วมันจะไม่เดินเลยอืเนี่ยมันจะเดินยังไงเหมือนเหมือนอย่างคนตาบอดอย่างนี้นะเดินตามทางก็ต้องระมัดระวังต้องมีไม้อันหนึ่ง คอยเขีย่ยไปก่อนอย่างนี้นะคนตาดีเขาลรกไปถึงไหนแล้วคนตาบอดอ่ะงวงๆตามๆไปตามทางอนั้นเนี่ยอันนี้จิตใจของคนเรานี่คันจะปล่อยให้อวิชชาตันหามครอบ ง, อ ง, องำแล้วทีนี้มันก็มืดบอดมองไม่เห็นทางออกจากทุกข์เลย ถ้ามีใครสักชวนก็ไปปฏิบัติธรรมกันเถิดอย่างนี้เออทอใจเลยไม่ไหวแล้วฉันไม่สู้แล้วแต่ถ้าครมีชวมีใครมาชวนว่าไปค้าขายกันเถอะได้ยินว่าเขาค้าขายกันที่นั้นที่นี้สินค้านั้นราคาแพง เราไปซื้อสินค้าไปขายเอาเอากำไร ง, งามๆกันเถอะแต่นี้ตาลุกขึ้นเลยเ อ, อ, อยากได้แล้ว อ, อ้าวไปก็ไปกันนี่มันเป็นอย่างนี้ได้กิเลสเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่จะให้จิตผูกพันอยู่ในโลกธนิวัตอันนี้มันก็พอใจไปหล้วนิกจิตเนีย เพราะมันรู้อำนาจแก่ตันหานี่มันเอาชนะตันหาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอันจิตใจดวงนี้นะให้พากันสังเกตดูดังนั้นเมื่อเรารู้ทัวกันอย่างนี้เราไม่ส่งเสริมมันให้เกิดความหวันความกยันไปในทางที่มันจะผูกพันอยู่ในโลกนี้ อา้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ผู้ครองเรือนล่ะก็จะไม่ได้อยู่ได้กินอะไรไม่ใช่หรือถ้าหากว่าไม่ทำการทำงานไม่สแสวงหาทรัพย์สินเงินทองสแสวงอยู่แต่ไม่ถือมันอาเป็นของเราเราจะไม่ลืมจิตใจตัวเองไม่ททำการค้าการขายทำนาทำสวนอะไร ก็มีสติกำกับจิตอยู่ให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าเรามองเห็นแล้วว่าวัตถุสิ่งต่างๆในโลกอันนี้จะเป็นที่พึ่งตลอดไปไม่ได้บางทีสิ่งของนั้นยังอยู่ไอ้ตัวเองก็หมดบุญวัฒาสนาตายลงไปเสีย บางทีตนยังไม่ตายของที่แสวงหามาหมู่นั้นหมดสิ้นไปก่อนเสียอย่างนี้นะแล้วมันจะมีอะไรล่ะเป็นสิ่งที่ให้ความอุ่นใจได้ลองพิจารณาดูไม่มีไม่มีอะไรจะให้เกิดความอุ่นใจได้ในโลกสันิบตัตอันนี้แม้แต่ร่างกายที่จิตอาศัยอยู่ใกล้ชิดนี่ เราก็ยังไว้ใจไม่ได้นะอะืจะว่ามันจะแตกจะดับไปจากวันไหนก็ไม่รู้อย่างนี้นะแล้ววัตถุสิ่ ง, งอื่นภายนอกนั้นยิ่งแล้วเลยเราจะไว้ใจมันได้ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดได้ที่ไหน อ, ะอ่ะออุบายเหล่านี้เนะี่ยถอนจิตตัวเองเสมอๆไปอืม เมื่อสอนจิตนี่เสมอไปอยู่นะนี่ยมันก็แน่นอนนะมันก็รู้จักเบื่อรู้จักหน่ายในสิ่งที่มันเคยยึดเคยถือคอยคล้องมาแต่ก่อนมันก็รู้ชัดเลยว่าไอ้ที่ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนนั้นน่ะมันก็เนื่องมาแต่มันไม่ไม่ยอมปลงยอมวางไอ เรื่องที่ไม่เป็นสาระการสารนี่นี่ยท่านพอสิ่งวัตถุสิ่งไดสิ่หนึ่งตนหามาได้แล้วศูญหายไปเอาเสียใจอย่างแรงท่านพอสิ่งหาสิ่งของอะไรได้มามากมายก็พอดีอก ด, ดีใจเจียใจจดใจจออยู่นั้นแล้วอา้าได้ลูกมาคนหนึ่งนี่ก็ดีใจหลาย เป็นปู้ย่าตา ย, ยายกบคอยดีอกดีใจกับหลานไอจิตที่ไม่รู้ไม่ฉลาดเนี่ยมันไปดีใจไปพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงอนะันนั่นแหละส่วนมากเป็นอย่างนั้นนี่แล้วจะให้มันหนีจากว่าตาสงสารนี่ได้อย่างไรอ่ะหนีไม่ได้เลยสถานการณ์ที่มันจะหนีได้นะพราเรามา ควกคุมจิตอยู่ในปัจจุบันนี้มาเพ่งมาสอนจิตเตือนจิตตัวเองว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยตนเอาติดตามตัวไม่ได้เลยเพียงจะมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้มีแต่บุญและบาป ท, ที่ตนทาไว้ในใจนี้เท่านั้นเองมันจะนำดวงจิตนี้ไป วัตถุปัจจัยทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้ติดตามตนไปแม้แต่น้อยเดียวก็มันสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เกิดความรู้เห็นยิ่งขึ้นมาเออเป็นความจริงเรื่องนี้นะอย่างนี้น ะ, ะเมื่อรู้ว่าเป็นความจริงนั้นแล้วมันก็พยายามสอนตัวเองเข้าไปนะสอนให้คลายความยึดความถือที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อน แต่เราคลายความยึดถือทั้งร่างกายสังขารทั้งวัตถุปัจจัยภายนอกอยู่เสมอไปอย่างนี้แต่แล้วก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเข้าของไปอยู่นั้นแหละแต่ไม่ถือว่าเป็นของของเราแต่วัตถุปัจจัยเหล่านี้มันเป็นสิ่งยำเป็นต่อร่างกายสังขารอันนี้ร่างกายอันนี้อยู่ด้วยปัจจัยสี ถ้าขาดปัจจัยสี่แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นแม้ว่าจะเห็นโทษมันสักเท่าไรจะรู้แจ้งตามเป็นจริงเท่าไรมันก็จำเป็นต้องสเสวงหาเช่นนักบวดก็ต้องเที่ยววินทบาทภิกขาจาร น, นํำอาหารมาเลี้ยงร่างกายในวัยอย่างนี้นะก็ต้องขวนควนในกิจธุระการงานในวัดว่าอารามที่ควรปฏิสังขร ส่อแสมเสนาสะนะอันเป็นที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ช่วยกันทำเข้าไปแต่ว่าเราทำอะไรเราฝึกหัดว่าให้มันยึดถือสิ่งนั้นนี่สำคัญอนะทำอะไรแล้วก็แล้วไปไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์หัดกลงหัดวางลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละ จิตใจมันก็จะไม่ติดไม่ข้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้ถ้าเราฝึกสมาธิภาวนาเจริญปัญญาสอนใจนี่เสมอเสมอไปนะมเมื่อสอนใจใจมันรู้ตามแล้วก็หยุดสอนเนะี่ยหยุดคิดแล้วก็วางอารมณ์ต่างๆนะให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่ง แล้วก็มีสติประคองจิตนั้นไว้ให้มันพักผ่อนในขนาดนั้นน่ะอย่างนี้นะถ้ามีแต่คิดกับคิดอย่างเดียวเรื่อยเปลยไปจิตใจก็เหนื่อยแล้วพอเหนื่อยมันก็เหลี้ยวไหลไปทั่วแล้ววันนะี้มันเป็นอย่างนั้นแตนั้นเมื่อเมื่อเห็นว่าสมควรแล้วการพิจารณาเท่านี้สมควรแล้วก็กรงก็ว่าง น, นะ ให้จิตมันรวมลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันมีสติประคองรักษาความเป็นหนึ่งอันนั่นไว้เราทำความเพียรอยู่อย่างนี้เผื่อว่าความตายมาถึงปุ๊บปั๊บเข้าอย่างนี้มันก็รู้เท่าทันแล้วไม่จิตไม่ไปเกาะไปคล้องสิ่งใดในโลกนี้แล้วเพราะมันฝึกตนมาโดยลำดับแล้วนี้นี่แหละได้คือว่า เป็นทางค้นทุกข์ให้ในมมตตาสตงสารได้โดยแท้จริงดังแสดงมา